ทำกันนะเราจะให้หลังควาใหญ่เทศเข้าไปเทศกันงโดนดนมาสัตหาว่าอยู่นี่สักสี่ห้าวันรู้ที่นี่รูยอดโยวที่นี่ยะเจียวที่น่ารักดีอยู่กับปลากับดง ชุมชนที่เป็นคนไทยร่อยประเนคนลักประเทืกชาติดูแล้วสิ่งแ่ดล้อมเป็นความร่วมมือกันทุกทุกทุกองค์กรบวบลบ้านวัดโรงเรียน ้ก็เป็นบ้านเล้อยแต่ก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่นับถงจากพระบรมรายีน า, า ก, การรับบาและก็กำลังจากตับประกวดตอดกายิ่ม การไปแล้วระดับประเทศระดับเขตระดับภาคที่ตั้งดับมาแล้วมีป้อมห่าวหวันมีอาจารย์ประยศมีแม่ศีอูด เป็นผู้ น, นำที่นี่ฝ่ายพระสงฆ์มีอญญาญาไปสอนฝ่ายแม่ชีมีแม่ชีอูดมันเกิดช่างเกือดต้องเกิดอยู่ในดงเน่นนก่อมาร่วมกันเก่งกว่าวัดป่าสุโกโตนะพระเจกาม จิงอย่างไรชาบ้านก็ให้เราร่วมกับสิงวัดล่มเด็กน้อยมาบัดมากราบมาไหว้มีแลเบียบเรียบร้อยให้เหมือนสุกโตนะชาบ้านมาบัดมาลักพึ่งหมดมีร้อยร้อย ล, อยลางก็หมดเอาตอนกลาคืนเมื่อไรมาเอาตอนกลางวันเวลาพระหมายฉันเข้า เด็กน้อยมาวัดมาลักไก่เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นึ่ขคืนก็ไปได้เพราะนั้นเราจึงสู้มหาวันไม่ได้จึงเชิญผู้ใหญ่หลวงผู้ใหญ่มาดูฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าอ่า่าฮาาฮ่าฮ่า่าฮ่าป่า ที่ฮะกลาง่ไปไปก็ช้ามาแต่ก็อุ่นใจที่นี่เหมือ น, นมีที่พึ่งทางกกจิตวิญญาณสืบทอดพระตลอดโลกโล้านของเจ้ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนี่เราก็มาปฏิบัติธรรมเข้าศีลตามประปีนีของเราชาวพุทธในเทศกาลเข้าพรรษาเจ็ดวันด่านน้ำข้างหนึ่งสำหรับชาวบ้านอีกที่ห้าวันก็ไปทำมาหาจิน อยู่ใน ด, ดงดงแห่งลูกรถกินเสียงอันนี้ไม่ใช่ดงเนี่ยอ๋อมหาวันไม่ใช่ดงเนที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายค่าศึกสิ่งใดแต่ชาวบ้านมีค่าศึกเยอะๆอยู่ใน ด, ดงในป่าป่าเห่งวิชาเกี่ยวข้องกับ ผู้กับคนกับลกูกกับหลานสิ่งแวดล้อมต้องใช่กายใช้ใจเปิดเวื่อนเลยางานบ้างควมอมโกรธความโลภความหลงความพอใจไม่พอใจพอตาได้เห็นหูได้จินจะบูกได้กิ่นลิ้นในรถกายได้สัมผัสอยู่ทุกเวลามีลูกมีหลานมีงานไม่การเกี่ยวข้องกันเ้าจะปล่อยกายให้ไปย่อมเอาความผิด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 โดยที่สุดก็ติดกายติดใจบางทีก็ติดมากมากการไปชนิดนดิสัยให้ความหลงออกหน้าให้ความโกรธ อ, อกหน้าให้ความทุกข์ อ, อกหน้าให้ความพอใจไม่พอใจออกหน้าไม่มีสติเลยแต่จึงมาเข้าอโบสถมาเข้าอยู่มา อบงาลร่างมีสติดูกายดูใจโดยรูปแบบของกรรมาถานดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเวลาอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติจะรู้จักตัวมันก็นล่างออก่างบาปมันก็เพิ่มบุนขึ้นมา <c oughs> อะไรที่มันเกิดกับกายที่มันช่สติเป็นบาปทั้งนั้นควพอใจไม่พอใจความรักของมชังความคิดโ่งผางหงงหอนอนปล่อกับเป๋าของใจมีสติรู้สึกตัวอาศัยรูปแบบประมาทาห้างออกปล่อยทิ้งไม่ได้ปอยสิหลนั้นที่เป็นกายนี้ใจไม่ไ ด, ไมได้มันจะเป็นเจ้าของกายมันจะเป็นเจ้าของใจ มันจะเป็นใหญ่ใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมทบน่อมกายใจจนเป็นภพภูมิต่างๆได้เป็นไปสู่ อ, อบายได้อีทของคนเรามันมีอบายที่มันจะเรินว่าติดสุรกายสนาะนรกจะฉานต้องไม่มีสาติสนาาไม่มี สิ่งที่ปฏิบัติต่อกายต่อใจสิ่งนี้เหมือนถูกต้องเราจึง ต, ต้องมาอาบน้ำถิมนน้ำทาเจ็ดวันมาอาบีหนึ่งให้ได้เห็นล่งเห็นลอยยิ่งพวกเราด้มหาสาลทยาพระโสิส่วนมนต์ไหวพระเหมือนกับฝังธรรมที่พระเจ้าแสดง แล้วก็ได้ว่าออกไปทางขวาจาจิตใส่ใจตามเอาบันลงไปเม็ดลงไปใส่ใจลงไปตรงไหนมันเมือเ่อยมันไม่เห็นอะไรก็สองแสงสว่างลงไปตรงไหนที่มันคั้วไวกองหน่อยขึ้นมาตรงไหนที่มันปิดเปิดออกมาโดยคำพูด โอ้โเจาอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ความเพ่งพระธรรมคำสอนนั้นไปิดไปพระทางออกจากทุกข์ว่าลงไปฉีดลงไปถึงไว้ใจเรานี่เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นใบเพื่อหนิพานฉีดลงไปมันเพื่อหนิพานความหลงเพื่อความไม่หลงความโกรธเพื่อความไม่โกรธ ค, ค, ความทุกข์เพื่อความไม่ทุกข์ ผ่านไปทางนี้งัดเดินทางใจหัดเดินทางใ จ, ดดง ใ, จใจก็มีทางเดินถ้าไม่หัดเดนินก็เดินไม่ถูกมื่เปิดด้านจนจนใจไม่มีทางไปจนตกความหลงจนตกความทุกข์ ฝนตกของโกรธเราประมาทเรามีกายมีใจนี่ประมาทจะได้ว่าจะไม่ได้ใช่มันให้คุ้มค่าเราเกิดมาได้กายด้ใจมานี่เป็นรูปเป็นนามนี่เอามาใช้ให้มันดีให้มันได้ประโยชน์มันเป็นมรรคเป็นผลมันจึงจะมีค่า ให้สมกับเราได้เกิดมาจากอิดามันดาพ่อแม่เราจะทำไม่ได้ลูกต้องทำได้แน่นะพ่อแม่เราไม่มีนี่พ่อแม่เราคือกายคือใจนี่เราจะไม่เอากายไปทำความชั่วเราจะไม่เอาใจไปคิดชั่ว ลูกพ่อนี่แม่นี่เราเป็นคนหนึ่งไมองตนอยู่จากนี้อยากให้เสียเลือดเสียเนือ้อเสียน้านมอยากหยาดเหงือแรงงานของพ่อของแม่ตอบแทนด้วยความดีที่ลูกเป็นคนดีรักพ่อรักแม่เราก็ต้องเป็นคนดี ลักหัวลักเมียก็ต้องเป็นคนดีไม่ใช่เป็นความรักด้วยจิตใจอะไรอาวรณ์ักไี่เป็นก็เศร้าหมองมันนีคู่กัน้ความรักกับเป็นความแชน่นความโกรธฆ่ากันตา ย, <c oughs> ยจง สอนหัสนใจเราให้มันก็เลยยุกมือขึ้นมาเมื่อวานนี้ไปวัดป่าชุกโตแล้วบ้านตายแม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็บแม่ต า, ายอยู่เมื่อวานนี้มาบวชโงสุข หลวงตาเลยพูดว่ามีแต่ลูกชายมาบวดยกมือขึ้นโดยจรยกมือข้างขวาขึนโดยจริงทุกคนยกมือขึ้นนี่ลูกของพ่อของเบ่พ่อแม่เราไม่มีแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้แทนพ่อแม่จะทําดีแทนพ่อแทนแม่าเสีย อ, อกเสียใจ อย่าทะเลาะไปวาดกันให้สมหังสมคีกันมากขึ้นพ่อแม่เราไม่มีแล้วเราต้องใกล้ชิดกันเก่าเก่ารักกันมากกว่าเก่าสมคีกันเห็นไหมดูแลกันอย่าโทษอยทิ้งดำรงมรตกุณอย่าทะเลาะวาดกันดูแลกันตั้งจิตใจทุกคนอย่างนี้ในวันที่นี่ในวันโาล่โผล่เลยบวชเนี่ย ไอ้คิดอยู่เรื่องนี้เราเองเราเองเราเองในหัวใจเราเองจะเป็นผู้แทนพ่อแม่ทาความดีตอบแทนคิดอย่างนี้รเราไปเศร้าโศกร้องห่ร้องไห้ปกตัวขึ้นดัเชืเอ่อเสยงเราก็เช่นกันโกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ทุกไม่ได้สงสารพ่อแม่ ทำเชื่อไม่ได้สงสารพ่อแม่พ่อแม่ไม่ต้องการให้เราเป็นคนชื่อมาเข้าจิตเข้าธรรเลยหือกัเป็นนิมิตเป็นดีเป็นความงามของชีวิตเป็นกิจกรรมของพวกเราวัดเข้าว่าอยากใหลูกหลานก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็น เห็นจายเห็นปู่เห็นยาเข้าวัดเข้าวานก็อาจจะเป Auf, o, <c oughs> <c oughs> Donc, ああ็นภาพเป็นชีวิตรอมสาหรับลูกหลานอยาได้ประมาณใช่เอกสารนั้นนี่หมากันชั่วช่างสวัดิหมูช่วงงูแล้ลื่นแล้วก็ดีนันจะเป็นลอยลอย บุญลอยความดีนั้นเป็นที่อาศัยที่พึ่งแล้วต็วที่พึ่งเนะี่ยอันกายในพึ่งมันไม่ได้ใจนี้พึ่งมันไม่ได้ถ้าไม่หัดมันไม่เจอศัตรูมีแต่ตะลอยแล้วแคเป็นอกกายมันเป็นทุกข์พอใจมันเป็นทุกข์ก็ไม่หัดประกอบลงโทษตัวเอง กัรคิดกับคิดแบบกัดต่อดตัวเองให้เจ็บปวดเจ็บปวดพวกความคิดบางที่กาคิดขึ้นมา5้าตัวตาย5าคนอื่นได้ไม่เล้อบรมสังสอนจิตไม่มีสติแล้วก็ยังเวลาใดที่เรายกนก เคลื่อนไหวรู้จักตัวนั่นแหละเงนจุดที่เริ่มต้นที่ช่วยกายหายยจเข้าหายยจออกรู้สึกเมื่อหายูจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกจะเห็นสิ่งที่มันเกิดกับกากับใจที่ม่ใช่ความรู้สึกจะได้เปลี่ยนมันมันเห็นเห็นจริง เวลา น, นอนก่อนนอนก่อนหลับจับข้าวจับของปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนอนงามๆอารุปป่งพรางห่มให้เรียบร้อยหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดหลขึ้นกระดาษงอนมันก็ไม่ได้ทำงานแล้วถ้าเราไม่หัดปร่อยกาคิดบ้างที่สุดเวลา น, นอน หาเรื่องมาคิดจะนอนไม่หลับเกิรทุกข์ความคิดเป็นอะไรต่างๆมากมายจนหวัน่นไหวเหนื่อยจนหงุดหงัดแต่มันนอนก็มันอนอยาหาเรื่องมาคิดบอกตัวเองได้สนอนก็ได้สอนใจเต็มที่ ไม่มีใครไปทำงานทำการที่ไหนแล้วเวลานี้ใครใครก็นอนกับหมดแล้วเพื่อนบ้านนอนหมดแล้วเรายังนอนคิดอยู่นี่ไม่ใช่การละเธอจะผิดศีลด้วยแตาไม่สอนมันก็อซุกซนมากมันมีสมองมันเก็บข้อมูลไว้ในสมองนี่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 เป็นข้อมูลที่ดีมากตามพระเจ้าโดยปฏิบัติมาจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าน้อมระสอนจนมีพระสงฆ์ตัดจลู่ตามพระเจ้ามากมายที่ระเวัดวาฉกวาจิกาตรกูลที่เป็นพระเสกคะพระเสกขะก็มีเป็นข้อเป็นกัว นี่เราก็มีคำสอนสติเวลาอยู่กับเราในเวลานี้อยู่กับพระเจ้ากันเดียวกันสองพันหอกยปีมาแล้วยกเมือเคลื่อนเพ่อกเข้ารู้สึก๋ยวฉันหอกรู้สึกอันเดียวกันกับอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็ทำอย่างนี้อันเดียวกันเลยอยู่กับใครก็อันเดียวกัน อยู่กับคำว่าเจ้าโยมผู้หญิงผู้ชายอันเดียวกันอยู่กับคนหนุ่มคนเก่อันเดียวกันอยู่กับนักปวดไม่ชีพสงกันเดียวกันตุนเดียวกันหมดเรานั่งอยู่นี่ถ้ามีชะตรีก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าไม่มีชตรีก็เป็นคนหลายคนต่างคนต่างคิดไปก่ออาพึ่งกันไม่ได้ถ้ามีชตรีแสดงว่ามีที่พึ่ง ทําะไอยู่มีสติอยู่นี่เหลอเคยปฏิบัติอยู่ในห้องหลวงพ่อเทียนเดินไปแล้วก็ปิดประตูไว้ทำอะไรอยู่หลวงพ่อเทียนก็มีสติอยู่นี่แหละหลวงพ่อกำลังสร้างสติอยู่นี่ถ้าจะปิดประตูไว ก็เฉงใจนกว่านอนใชไม่ได้นอนนั่งอยู่นี่เลยแล้วก็เห็นข้างนอกไหมหรอหนูข้างในก็ไม่เห็นเห็นแต่ข้างในทํำไมจริงเห็นข้างนอกก็ต้องเปิดประตูออกมาเปิดออกมาดูริเห็นข้างนอกไหมเห็นดูข้างในไหมเห็นปฏิบัติเนเป็นอย่างนี้ อยาติดตวัวแม้เวลาลราปฏิบัติก็เห็นข้างนอกข้างในเวลามันคิดก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดเวลามันทุกข์ก็อย่าเข้าไปอยู่ในความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีออกมาข้างนอกเวลามันเกิดเลยขึ้นกับป่ากับยาก็อยากเข้าไปอยู่กับมันให้เห็นมันเวลามันหลงก็ไม่หลงตรงกันข้ามเวลามันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ตรงกันข้าม เวลาหันโกก็มีความไม่โกรธตรงกันข้ามมองก็ละมุมในตัวเรานี่เมื่อเรานั่งอยู่กะที่เดี๋ยวนี้เห็นทั้งนอกกัข้างในถ้าําความเพียนก็ไม่ควรจะปิดประตูเปินก่ออยากถามก็ไม่กล้าถามดูว่านอนจะ ดั้นเราก็มีตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็มีความไม่หลงแค่ให้พร้อมกันในข่าวเดียวกันถ้าปล่อยความหลงไว้ในการในใจมันจะเป็นเชื่อถ้ามีหลงก็มีโกรธถ้ามีหลงก็มีโลคถ้ามีหลงก็มีทุกข์มีหลงก็มีรักมีเขียดชังความหลงเป็นแม่ของอกุศลเป็นแม่ของบาป ก็พอดีกับความรู้สึกตัวปรกอบกับความหลงเป็นแม่ของบุญของกุศลแล้วกับความมืดความสว่างคู่กันสิ่งที่เกิดกับกากับใจเรานี่ถ้ามีสติเื่อได้ทุกเรื่องจะรยได้ทุกอย่างงนน่าจะจนแต่ถ้าเราไม่หัดไว้มันก็ไม่มีจน หลงจนในความหลงจนในความทุกข์ต้องหัดไหว้ซะจะได้ไม่จนจะได้เหินรอยเฉิดเช้นไว้แล้วหัดว่าให้มันชำนานอยอมสงบเราก็ฝึกอย่างนี้เราศึกเราจึงลบได้ถ้าไม่ฝึกก็ไปลบไม่ได้แพ้แพความหลงแพ้ความทุกข์ ความโกรธทุกอย่างที่มันเป็นไท <c oughs> ยเป็นไทเป็นผู้ที่มีภยัยเสือตัวอยู่ตลอดเวลานี่ใจก็ไม่มั่นใจตัวเองลู้จะเป็นอย่างไรเรึ่งนั้นไม่ได้ใจนี่ลุ่มไร่ขุ่มดีผู้ผู้แพร่แมันต่หลายมาก เาจึงต้องหัดไว้หัดไว้ดูแลตัวเองเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการวิจัยเท่านี้เลยมีสติเท่านี้เลยฮุมมีสติแับดูสึกตัเล็กได้ตามวิชากรรมฐานตุตนสอนตนเจ๊ไขตนเตือนตนเองมีสติก็จะอยู่เป็นสุข ไม่มีภัยชีวิตไม่มีภัยเขาเรียกว่าพระอริยะเจ้า้าเป็นพระนักบวชเรียกว่าอาริยะเจ้า้าเป็นญาณโยมอริยะบุคคลจ็นได้เป็นพระใจใจไม่ใช่เป็นพระแบบสมมุติวัญญัตใจลายเป็นผีจย่งที่เป็นพระโบราณท่านว่าเป็นได้ทางจิตใจนี่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 ญาติโจมที่มาวัดในวัน 1.5 ค่ำเดินเดินอะริฮมเดินเอะไรเออวันันนี้จะเป็นพระเินริตเจ้าเปลี่ยนตัวไปทำวัดจดมันแต่ที่ห ตากรัวชาวบ้านเดี๋ยวมาตีห้าทุกวันที่นี่ก็ทำมาตีสี่ึ้นวันนี้พิเศษรอชาวบ้านตีห้าแล้วกงานกาลีเนอะอ น, นี่ก็โมทนากับเจ้าชมุมนะรักกันสมาถานสิน แล้วล่ะเขาจะมกกล้ว้ vai para balão já já j Nakmu tetap, perkawatan alahatun sama samput tetap. Nakmu tetap, perkawatan alahatun sama samput tetap. Nakmu tetap, perkawatan alahatun sama s a m p u